วนละเกินหลวงพ่อจา๋าช่วยลูกช้างด้วยสตรีวัยยี่สิบเศษนอนร้องครวญครางอยู่ตรงประตูทางเข้าหล่อนสวมผ้าสิ้นสีน้ำตาลเข้มทว่าวท่อนบนเปลือยเปล่าปฐุมฐานข้างหนึ่งใหญ่กว่าปกติประมาณสักสามเท่าของอีกข้างในมือหล่อนถือเสื้อมาด้วยอาจารย์ชิตกำลังนั่งสมาธิอยู่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 หนูทำไมไม่ใส่เสื้อให้เรียบร้อยละ่ะมหาพระหาเจ้าควรแต่งกายให้มิตรทิตนะหนูนะบุรุษสูงอายุพูดด้วยความเมตตามันใส่ไม่ไหวจะลุงปวดปวดเหลือเกินลองลงมาเป็นฉันมั่งจะรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนหญิงสาวว่าพลางสะอื้นหักหักลุงรู้ ทำไมจะไม่รู้นี่ลุงก็เป็นมะเร็งที่ต่ำน้ำเหลืองมาห้าปีแล้วปวดอย่างที่หนูปวดนั่นแหละนี่เห็นไหมน้ำเหลืองไหลเยิ้มเลยแล้วก็เหม็นเน่าด้วยหนูได้กลิ่นไหมละ่ะเขาชี้แผลที่คอบริเวณใต้กกหูข้างขวาขณะที่อาจารย์ชิดสนทนาอยู่กับผู้หญิงคนนั้น นายขุนทองก็ตะลีตะลานขึ้นไปรายงานท่านพระครูเห็นท่าทางลนลานของอีกฝ่ายนายสมชายจึงออกมาดูและรู้สึกสงสารหลอนหากในความสงสารนั้นก็ระคนด้วยความกำนัดยินดีตามประสาคนหนุ่มที่มาเห็นเพศตรงข้ามเปลย อ, อกลึงลึงเร็วเร็วเข้านางบุโทนางบุญโถนายขุนทองละล่ำละลัก ท่านพระครูวางปากกาแล้วถามอะไรของเองอีกละ่ะนางมนโฑไหนใช่คนที่เป็นเมียทศกันหรือเปล่าท่านเจ้าของกุฏิถามอย่างอารมณ์ดีจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้สิฮอหลวงลุง ล, ง, ลงไปดูเองดีกว่าเขาร้องหาหลวงลุงยุ่นแน่ท่านพระครูจึงเดินลงมาท่านเห็นสายตาของลูกศิษย์หนุ่ม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 เดินพลางนึกในใจว่าไม่เจ้าโวยทำไมมันถึงได้ใหญ่โตขนาดนั้นนิคของแฟนเราจะได้ครึ่งหรือเปล่าหนอปุถุชนคนหนุ่มคิดคำหนึ่งไปถึงคนรัก <med> เห็นท่านเจ้าของกุฏิลงมาหญิงสาวจึงคลานเข้ามาใกล้อาศนะกราบพลางคร่ำครวญว่าหลวงพ่อช่วยลูกช้างด้วย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 นายขุนทองนั่งคุ้มเชิงอยู่ใกล้ๆด้วยเกรงว่าหล่อนจะเข้ามาประชิดติดตัวหลวงลุงก็ดูหล่อนเจ็บปวดจนขาสติออกอย่างนั้นหญิงสาวหยุดสะอื้นเอาเสื้อในมือขึ้นมาใส่แล้วจึงบอกท่านว่าปวดเหลือเกินจะหลงพ่อมันทรมานฉันเหลือเกินไอ้โรคมาบ้านเนี่ยหล่อนพูดอย่างโกรธแค้นทั้งโกรธทั้งแค้นเจ้าโรคร้าย ที่มาคุกคามชีวิตหล่อนหนูมาจากไหนแล้วนี่บ้านอยู่ที่ไหนท่านเจ้าของกุฏิถามทอหลวงพ่อจำฉันไม่ได้หรือส้มป่อยไงละ่ะบ้านอยู่ตรงข้ามวัดโน้นไงหล่อนชี้มือไปอยังบ้านที่ตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอ้าวเองหรอกหรือส้มป่อยแล้วมายังไงล่ะนี่ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามท่านเห็นนางสาวส้มปล่อยมาตั้งแต่หล่อนยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเพราะหล่อนมักตามมารดามาทําบุญที่วัดนี้ทุกวันพระเพิ่งมาหายหน้าหายตาไปเมื่อห้าหกปีมานี้ฉันมาเรือจ้างจ่ะหลวงพ่อช่วยฉันด้วยเถอะฉันไม่มีเงินไปหาหมอทุกวันนี้ฉันก็โตคนเดียวพ่อแม่พี่น้องหายสาบสูญไปหมด แน่ละสิข้าก็ได้ข่าวอยู่เหมือนกันเองเห็นหรื อ, อยังล่ะว่าเวนกรรมนั้นมีจริงไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าหรอกจำได้หรือเปล่าว่าเองทำกรรมอะไรไว้จำไม่ได้จ้ะหลวงพ่อที่บอกฉันด้วยเถอะหลันว่าอ้าวก็เองทำเอง จะมาให้ข้าบอกได้ยังไงลองนึกดูดีๆสิฉันขี้เกียนึกหลวงพ่อ น, นึกเผื่อฉันด้วยและช่วยบอกฉันทีว่าจะแก้กรรมได้ยังไงหล่อนพูดง่ายๆนึกโกรธขึ้นมาต ง, งิดต ง, งิดตามวิสัยของคนเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายท่านพระครูไม่ถือสาเพราะมนุษย์ทุกรูปนามย่อมมีธรรมชาติเหมือนกันหมดนั่นคือเมื่อสุข ก, กาย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 มันก็นอนตายอยู่ริมหาดนั่นเองข้าเตือนทั้งแม่เองด้วยว่าอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแม่เองก็ไม่เชื่อข้าแถมโกรธจะเป็นจะตายขนาดไม่ยอมมาทำบุญที่วัดนี้อีกทีนี้เป็นยังไงละ่ะโดนกฎแห่งกรรมเล่นงานทั้งครอบครัวเลยข้ารู้ตลอด เพราะมีคนเข้าบอกค่าจะให้เล่าไม่ล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ชิตกำลังนั่งสมาธิอยู่ใกล้<ๆ>เขาได้ยินเรื่องที่ท่านพระครูพูดแล้วก็ฟังเพลินจนถึงกับทิ้งผ่องยุบมาสนใจที่การสนทนาท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่าโยมอยากฟังก็ลืมตาได้นั่งหลับตาฟังอย่างนั้น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 ช่วยเองได้ถึงเองจะไปหาหมอเขาก็ช่วยเองไม่ได้เอาเถอะเอาเถอะลุงพ่อจะเล้าก็เล่าไปเถอะก็ฉันไม่มีทางเลือกแล้วนี่ไอ้หมอไอ้หมาที่ไหนฉันก็ไม่ไปหามันหรอกไม่มีเงินให้มันสาววัยยี่สิบเศษพูดผ่านๆหนูพูดกับพระกับเจ้าควรจะให้สุภาพหน่อยลุงรู้ว่า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 อยู่ในกำมือท่านก็ว่าได้เขาเตือนด้วยความหวังดีเพราะคิดว่าหล่อนก็เหมือนลูกหลานคนหนึ่งของเขาลุงก็อยู่ส่วนลุงสิมายุ่งอะไรกับฉันฉันจะพูดยังไงก็ไม่เห็นจะหนักกบาลใครหล่อนถือโอกาสเล่นงานอาจารย์ทิศเพราะโกรธท่านพระครูอีส้มป่อยนี่กูชักจะทนไม่ไหวแล้วนะประเดี๋ยก็ตบล้างนามเสนิจะตายอยู่รมารอแล้ว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 ข้าต้องขอโทษเองด้วยนะส้มล่อยที่คนของข้าสแสดงกริยาไม่ดีกับเองอย่าถือสามันเลยมันเป็นเด็กมีปัญหาท่านขอโทษแทนหลานเด็กเด็กอะไรกันโตวยังกวางกขวายหลวงพ่ออบรมมันยังไงถึงได้เป็นอย่างนี้ถึงได้เป็นอย่างนี้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 ท่านถือโอกาสเล่นงานหล่อนบ้างคราวนี้หญิงสาวทิ้งไม่ออกเจ้าอาวาสวัดบามม่วงจึงพูดต่ออีกว่าที่ข้าพูดมาแล้วและที่กำลังจะพูดต่อไปนี้นั้นข้าไม่ได้มีเจต น, นาจะประจานเองแต่ที่ต้องพูดเพราะมันเกี่ยวกับการรักษาโรคที่เองเป็นอยู่พระพุทธองค์ตรัส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 ตัวเองนั่นแหละลิขิตตัวเองเอาละทีนี้ข้าจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเองตามที่คนเข้ามาเล่าให้ข้าฟังเองฟังก่อนแล้วถ้าไม่จริงค่อยแย้งทีหลังเข้าใจหรือเปล่าระวังที่ข้าพูดขอให้ฟังอย่างเดียวท่านวางเงื่อนไข เข้าใจจ้ะนิมนต์หลวงพ่อพูดถึงจ้ะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวหล่อนเองนางสาวส้มป่อยจึงอารมณ์ดีขึ้นท่านพระครูจึงเล่าว่าพ่อเองหายไปก่อนใช่ไหมบอกจะไปหางานทำที่จังหวัดลำปางแล้วก็หายเงียบไปไม่ส่งข่าวคราวให้ทางบ้านรู้รุ่งขึ้นอีกปีหนึ่ง แม่กับพี่ชายเองบอกจะไปตามหาพ่อเองแล้วก็หายเงียบไปอีกและเมื่อสองปีที่แล้วพี่สาวกับน้องชายเองก็ทิ้งเองไว้คนเดียวแล้วพากันไปตามหาแม่กับพ่อของเองเพราะเองอยู่คนเดียวก็คิดมากเมื่อคิดมากก็เครียดมากเมื่อเครียดหนักๆเข้ามอเรง ก็เลยเล่นงานเองนี่แหละผลกรรมที่เอ็งก่อไว้กับลูกม้าไปพรากลูกพรากแม่มันแล้วก็ทำให้มันตายอย่างทรมานกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่เอ็งเอามันมาทิ้งจำได้หรือเปล่าว่ากี่ครั้งท่านถามจำเลยซึ่งนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้น จำไม่ได้จ้าหลวงพ่อรู้แต่ว่าอีด่างอีเขียวออกลูกทีไรแม่ก็ให้ฉันเป็นคนเอามาทิ้งทุกทีฉันก็นึกไม่ถึงว่าเวณกรรมมันจะเล่นงานฉันถึงป่านนี้นี่ถ้าเชื่อหลวงพ่อเสียตั้งแต่ตอนนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมจ้าหล่อนเพิ่งจะสํานึกผิดเอาเถอะเอาเถอะไหนไหนเรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว เมื่อเองก่อกรรมก็ต้องรับผลของมันไม่มีใครมารับแทนเองได้รู้อย่างนี้แล้วก็ต้องอดทนคิดเสีย ว, ว่าใช้เวรที่ทำใช้กรรมที่ก่อใช้หมดเมื่อไหร่เองก็จะหายนี่โยมเขาก็มาใช้เวรใช้กรรมแบบเดียวกับเองนั่นแหละ ท่านหมายถึงอาจารย์ชิดลุงทำกรรมอะไรไว้หรือจ๊ะหล่อนหันไปพูดดีกับบุรุษสูงไวัยเป็นการขอลุกแก่โทษลุงยังนึกไม่ออกเลยหนูลุงพ่อท่านก็ไม่ยอมบอกลุงเหมือนอย่างที่บอกหนูบุรุษวัยหกสิบตอบเขาเองก็อยากรู้ว่าทำกรรมอะไรไว้ในกรณีของโยม อาตจจมาจะยังไม่บอกต้องให้รู้เองถึงจะซึ้งใจเอาเถอะภายในเจ็ดวันนี้ถ้ายโยมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คงจะนึกได้เจ้าอาวาสวัดป่ามังม่วงพูดให้กำลังใจหากไม่บอกในสิ่งที่เขาอยากรู้เอาละ่ะประเดี๋ยวเอ็งไปพักที่สำนักชีก่อนเ ย, ย็นเย็น ให้เขาพามาขึ้นกรรมฐานต้องมารักษาอยู่ที่วัดนี่นะไม่ต้องอยู่บ้านให้ทีเขาช่วยดูแลถ้าไปอยู่บ้านคนเดียวก็จะฟุ้งซ่านอีกดีไม่ดีจะกลายเป็นคนวิกลจริไปมาเช้าเย็นกลับไม่ได้หรือจ้าหลวงพ่อฉันห่วงบ้านลันต่อรองไม่ต้องไปห่วงของนอกกาย ให้ห่วงโตเองก่อนทิ้งไว้นั่นแหละใครเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปนึกว่าใช้นี่แต่เชื่อข้าสักอย่างหนึ่งว่าถ้าเองไม่เคยไปลักไปขโมยใครเข้าไว้รับรองว่าไม่มีใครเข้ามาลักของเองถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับไปเอาเสื้อผ้า และเก็บข้าวเก็บของใส่เรือนไว้ก่อนได้ไหมจ๊ะเย็นๆฉันค่อยมาหล่อนขออนุญาตตามใจเองก็แล้วกันจะไปก็ได้หล่อนกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งและยกมือไหว้อาจารย์ชิดหนึ่งครั้งจากนั้นจึงเดินมุ่งหน้าไปอย่างท่าน้ำครั้นห่างรัศมีกุฏิออกไปความเจ็บปวดกลับทวีความรุนแรงขึ้น จึงรีบเดินย้อนกลับมารายงานว่าโอ้ยหลวงพ่อจ๊ะปวดเหลือเกินเมื่อตอกี้รู้สึกคอ ย, ยังชั่วพอลุกออกไปกลับปวดเหมือนเดิมอีกหลวงพ่อช่วยฉันด้วยหล่อนอ้อนวอนแม้ไม่ได้ร้องไห้นั่นแหละเอ็งกำลังใช้กรรมละยิ่งถ้าเอ็งปฏิบัติกรรมฐานจะยิ่งปวดมากกว่านี้ หน้าที่ของเองก็คือจะต้องทนให้ได้โอยแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วถ้าปวดมากกว่านี้ฉันขอตายดีกว่าตามใจถ้าเองจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจแต่ข้าขอบอกเสียก่อนว่าถึงเองจะตายก็ใช่ว่าเองจะพ้นทุกข์อาจจะทุกข์กว่าตอนเป็นด้วยซ้ำ จะทุกยังไงล่ะหลวงพ่อตายแล้วก็แล้วหมดเว้นหมดกรรมกันไปหญิงสาวพูดด้วยมิจฉาทิฐิถ้ามันเป็นอย่างที่เองว่ามาก็ดีนะสิแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคนเราไม่ได้เกิดหนเดียวตายหนเดียวอย่างที่พวกวัตถุนิยมเขาเชื่อกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ยายสะอิ่งก็คงไม่มาสร้างกุติกรรมฐานให้วัดนี้เอ็งเห็นหรือเปล่ากุติกรรมฐานที่อยู่หน้าโบสถ์นั่นนะยายสะอิ่งเข้ามาสร้างให้เป็นหลังแรกด้วยเงินหนึ่งช่างย ม, มาบาลเขาสั่งมาว่าถ้าไม่อยากมาเกิดในนรกอีกก็ให้กลับมาสร้างกุติกรรมฐานถวายวัดหนึ่งหลัง ให้สร้างด้วยเงินหนึ่งช่างจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นไม่ได้แล้วแกก็มาสร้างหมดเงินไปแปดสิบบาทพอดีอาจารย์ชิดกำลังนั่งกำหนดพองยุบก็มีอันต้องลืมตาอีกครั้งด้วยอยากดูเรื่องเขาถามท่านเจ้าของกุฏิว่าสร้างนานหรือยังครับก็สิเจดปีเข้าหนี้แล้ว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 กรุณาเล่าอีกสักครั้งได้ไหมครับผมอยากทราบว่าเรงราวเป็นอย่างไรและหากมีโอกาสผมจะได้นำไปเล่าให้ลูกหลานญาติมิตรฟังเพื่อเป็นข้อตื่นใจไม่ให้เขาทำความชั่วแหมโยงอ้างเหตุผลมาหน้าฟังอาตมาเห็นจะต้องเล่าอีกรอบหนึ่งเสแล้วอิงละ่ะอยากฟังหรือเปล่า ท่านถามนางสาวส้มปล่อยอยากจะนิมนต์หลวงพ่อเล่าเถิจ้าหญิงสาวตอบรู้สึกว่าความเจ็บปวดทุเลาลงเมื่อได้อยู่ใกล้ท่านเห็นคนทั้งสองอยากฟังท่านพระครูจึงเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2,500, เนหายเล่าย่อๆนะเรื่องมันยาวถ้าเล่าละเอียดวันนี้ทั้งวันก็ไม่จบ ท่านทาความตกลงกับคนฟังแล้วจึงเริ่มต้นเล่าว่าวันนั้นเป็นวันพระญาติโยมเขาก็พากันมาทําบุญที่ศาลาการปรเรียนอาตมาก็มองไปเห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งมากับผู้หญิงสองคนคนหนึ่งอายุไล่เลี่ย ก, กับแก่ส่วนอีกคนเป็นสาวรุ่นรุ่น อาตมาก็คิดว่าตากับยายพาหลานมาทำบุญเขาก็หากันเข้ามาหาอาตมาลุงแก่ๆคนนั้นแนะนำตัวว่าเขาชื่อนายปุญมาจากอำเภอทา่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ผู้หญิงสองคนที่มาด้วยเป็นเมียแก่คนอายุเจ็ดสิบสองปีเป็นเมียคนที่สอง ส่วนเมียคนแรกอายุสิบห้าปีตัวแกอายุเจ็สิบห้าปีพวกญาติโยมได้ยินก็พากันหัวเราะนึกว่าแกเป็นโรคประสาทหรือไม่ก็แกจนหลงอาตมาเองก็คิดอย่างนั้นแกก็ยืนยันว่าเรื่องที่แกเล่ามานั้นเป็นความจริง ผู้หญิงคนที่เป็นเมียคนแรกนั้นตายไปแล้วและกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กสาวอายุสิบห้าคนนี้แล้วแก่ก็ให้เมียคนแรกเล่าให้ฟังแม่หนูคนนั้นแก่ก็เล่าว่าเมื่อชาติที่แล้วแก่เป็นเมียตาปุ่นแล้วก็คลอดลูกตายทยี่โรงนาไปตกนรกมาหลายปี ช่วงเวลาที่อยู่ในนรกนั้นตะปุ่นสามีแก่ได้บวชและเจริญกรรมฐานอุทิศส่วนกุศลไปให้ย ม, มาบาลก็เลยให้กลับมารับใช้ตาปุ่นแล้วก็ให้สร้างกุฏิกรรมฐานถวายวัดหนึ่งหลังด้วยเงินหนึ่งช่างและใช้เวลาหนึ่งวันนอกจากนี้ยังให้ถือศีลแปด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 แล้วโยนความผิดไปให้หลานชายทำให้หลานชายถูกตีจนหัวแตกแกเป็นคนโหดร้ายใจดำอำมหิตแล้วก็ไม่เคยทำบุญทำทานเลยสวดมนต์ก็ไม่เคยสวดโยโสภะควะก็ว่าไม่เป็นพราะแกตายไปก็เลยไปตกนรกอยู่หลายปีเมื่อได้รับ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 พระก็ไปตกนรกด้วยอาตมาก็ถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนเป็นพระแม่หนูที่เป็นใหญ่ะอิ่งกลับชาติมาเกิดก็ตอบว่าคนที่เป็นพระจะมีผ้าเหลืองผูกอยู่ที่ข้อมือโยมเห็นหรื อ, อยังว่าแม้แต่พระก็ยังตกนรกได้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 และที่อาตมาเชื่อที่แม่หนูนั่นเล่าก็เพราะเคยรู้มาก่อนแล้วจากตาเหลงหวยรายนี้หนีจากนรกมาเข้าใยเผาเพื่อจะขอส่วนบุญจากล้านสาวงั้นหลวงพ่อเล่าเรื่องตาเหลงหวยด้วยนะจ๊ะนางสาวส้มป่อยพูดขึ้นรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อฟังท่านเล่าเอาไว้วันหลังคืนเล่าหมดวันนี้ ประเดียววันหลังไม่มีอะไรจะเล่าหลวงพ่อยังเล่าเรื่องยายเอิงไม่จบเลยครับอาจารย์ทิศทวงอ้าวยังไม่จบอีกหรืองั้นก็จะเล่าต่อคือที่อาตมาเชื่อว่ายายะอิ่งแกพูดความจริงเพราะตรงกับที่ตาเลงห้วยเล่าให้อาตมาฟังทุกอย่างแล้วอาตมา ก็ลองทดสอบด้วยการถามว่านรกของาศาสนาพุทธเหมือนกับของาศาสนาอื่นหรือเปล่าเป็นคนละนรกหรือว่าเป็นนรกเดียวกันยายสะอิงก็ตอบตรงกับตาเหลงหวยอีกว่าไม่มีการแบ่งาศาสนาไม่ว่าใครจะนับถือาศาสนาอะไรถ้าทำชั่ว ก็จะไปตกนรกเดียวกันหมดอันนี้เป็นเรื่องที่สมเตุสมผลมากทีเดียวหรือโยมเห็นว่ายังไงท่านถามบุรุษวัยหกสิบครับผมเห็นด้วยครับอาจารย์ชิดคล้อยตามนั่นต้องอย่างนั้นคืนไม่เห็นด้วยอาตมาจะได้เลิกเล่าท่านถือโอกาสเล่นตัว ฉันก็เห็นด้วยจ้านางสาวส้มปล่อยรีบบอกเพราะกลัวว่าท่านจะไม่เล่าอ๋อเอ็งก็เห็นด้วยเหมือนกันหรือส้มป่อยท่านถามยิ้มยิ้มแล้วจึงเล่าต่อไปว่าแม่หนูที่เป็นยายเอิ่งกลับชาติมาเกิดแก่ก็เล่าให้อัตมาฟังพวกญาติโยมก็พลอยได้ฟังไปด้วย อาตมาก็บอกญาติโยมว่าเรื่องที่แม่หนูเล่านี้ต้องเป็นความจริงเพราะเหมือนกับที่ตาเหลงหวยเล่าให้อาตมาฟังทุกประการนอกจากนั้นตาปุ่นผู้เป็นสามีก็ยังเล่าอีกว่าทีาแรกแกก็ไม่เชื่อแต่นางเสิ่งก็เล่าให้แกฟังทุกอย่าง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 ก็เลยบอกว่าก่อนตายแกได้ฝังสายสะพายหนักเส้นละแปดบาทไว้ที่โรงนาสองเส้นจะพาไปขุดตะปุ่นก็เลยพาลูกชายสองคนที่เป็นลูกนางสะอิงไปเอาจอบไปด้วยขุดไปขุดมาปรากฏว่าพบทองจริงๆตะปุ่นก็เลยเชื่อ ลูกชายสองคนซึ่งอายุเกือบเกือบห้าสิบแล้วก็เลยเชื่อว่าผู้หญิงอายุสิบห้านี่เป็นนางสะอิงแม่ของตนที่กลับชาติมาเกิดจริงๆนางสะอิงยังเล่าอีกว่ายมมบานเขาให้มารับใช้ตับุนห้าปีพออายุยี่สิบก็จะไป แต่ไม่ไปตกนรกแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดึงพวกชาวบ้านที่ฟังอยู่ก็รับอาสาจะช่วยสร้างกุฏิวันนั้นอาตมาก็ให้ตะปุ่นกับเมียเก่าและเมียใหม่ของแก่นอนที่ศาลาการประเรียนพอรุ่งเช้าชาวบ้านก็พากันมาสร้างกุฏิกรรมฐ า, าน เย็นก็สร้างเสร็จพอดีหมดเงินไปแปดสิบบาทตามที่ยมาบาลสั่งมามันก็น่าแปลกทีนี้อาตมาก็เป็นคนชอบยิสูดพอครบห้าปีอาตมาก็เดินทางไปยังบ้านตับบุญไปลำบากมากเพราะสมัยนั้น การคมนาคมยังไม่เจริญเหมือนเดี๋ยวนี้อาตมาต้องเดินเท้าหนึ่งวันเต็มๆจากตัวจังหวัดไปบ้านแก่พอไปถึงแม่หนูนั่นก็เอาน้ำมาถวายแล้วก็ก้มลงกราบอาตมาก้มแล้วก็ฟุบอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าไปแล้วไปวันที่อาตมา ไปพิสูจน์พอดีเมียใหม่ของตาปุ่นซึ่งตอนอาตมาไปก็อายุ77แล้วเล่าให้อาตมาฟังว่าพอสร้างกุฏิแล้วแม่หนูคนนั้นก็ตามมาอยู่กับตาปุ่นซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ป่วยเป็นอมาพาตลุกไปไหนมาไหนไม่ได้แม่หนูนี่ก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำ เชตอุจจาระปัตเสะวะให้โดยไม่รังเกียจก็ปฏิบัติอยู่ห้าปีเต็มดังที่รับปากย ม, มาบาลมาตาปุ่นก็นอนพังงาบพังงาบพูดไม่ได้อัตมาถามว่าจำอัตมาได้ไหมแกก็พยักหน้าอัตมาก็ปลอบใจว่าไม่ต้องเสียใจนะ แม่สะอิ่งเขาไปดีแกก็เข้าใจและทำใจได้เพราะเคยบวชและปฏิบัติกรรมฐานมาแล้วตกลงยายสะอิ่งก็ตายก่อนตาปุ่นทั้งสองชาติคือชาติที่เป็นนางสะอิ่งและชาติที่เป็นแม่หนูอายุสิบห้าเอาละจบเรื่องนางสะอิ่งแล้ว ได้เวลาเพลนพอดีโยมรับประทานข้าวเสกก่อนอาหารในสำรับนั่นแหละส่วนเองเดินไปกินที่โรงครัวก็แล้วกันท่านบอกนางสาวส้มป่อยไม่เป็นไรจ้ะฉันกลับไปกินที่บ้านได้หล่อนว่างั้นก็ตามใจเองนางสาวส้มปล่อยจึงกราบท่านสามครั้งก่อนลุกออกไป ก็อดครุ่ว่าปวดอีกแล้วพอรู้ว่าจะไปมันก็เริ่มปวดเลยเชียวทำไมมันถึงต้องปวดด้วยจ้าหลวงพ่อก็จะไม่ให้ปวดได้ยังไงละ่ะที่ข้าเห็นน่ะ น, นะข้าเห็นหนอนตัวใหญ่เท่านิ้วก้อยกำลังผ่ากันดูดกินเลือดกินหน้องเองอย่างอริดอร่อยอยู่นั่นท่านตอบเพราะเห็นด้วยเห็นหนอมันเข้าไปได้ยังไงล่ะจ้า ค้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เห็นตอนที่มันเข้านี่แหละเขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมบางคนก็ถูกนอนกินตั้งแต่ยังไม่ทันตายบางคนพอตายปุ๊บก็ถูกนอนกินปับ๊บใครเป็นอย่างนี้ล่ะก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคนบาปอันนี้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 ชั่วครั้งคราวก็ยังดีใช่ไหมนี่แหละเองกำลังใช้กรรละต้องอดทนให้มากๆเข้าใจร อ, อยังเข้าใจแล้วจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนละเดี๋ยวจะมาใหม่พูดจบก็ลุกออกมาและเดินท่องปวดหนอปวดหนอไปตลอดทาง